ออกมาดูนี่มีโอกาสถ้าอยู่เราไม่มีโอกาสเูกจะแยกตรงนี้ให้ดีแล้วเป็นมันเกิดเปทธนาพขาพูดให้เจ้าผบอกจริงใจน่ยเติดธนาก็าจากวันเทนาไม่ใช่สัตว์ปลุกคนตดชแล้วเขาทัดเหลอเกินแต่เราไปโอ้ยปวดขาโอ้ยง่วงนอนเโอ้ยเราหมดเมื่อหม ด, มดตัวแล้วไ้าเห็นหรือ เขาว่าเห็นแล้วก็อื้มเขาว่าอื้มเนี่ยตุ๊บชัดต็มเลยดงนึกหัวมันก็คนเป็นการละยึกหัวจากการแสดงเข้าเย้นึกหัวเขาว่าอื้มเลยขีเดียวลัดมือเดียวถ้าเป็นการแก้ปัญหาก็ไปแลยหลุดแต่ถ้าโอ้ยคือหลุดถ้าจมดกตงง่วงให้แนวล้วนให้แนวร่วมหลับตาตีแล้วไปขออ่อนมืออ่อนอันไม่ดี ไม่ยอมอาา้ปม า, ออาปากให้มันจะหาวไม่ยอมอ้าปากให้มันง้าปากไว้ให้ลมมันออกหูนึ่งรู้สักทันทีได้ประโยชน์มากอาจจะตื่นกว่าทุกเวลาเวลาอะไรที่มันมง่วงอาจจะเป็นเวลาที่ตื่นที่ดีที่สุดเวลาอะไรที่มันหลงอาจจะเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดตรงนี้แยกให้ได้าแยกได้ตรงนี้ไปไนดะ้สบายเดยทีเดียวไม่ติดเหมือนกับทางที่ ทางด่วนไปเลปลีเลยไม่ติดเลยออกมาดูมันง่วงก็เห็นมันถ้าเห็นเราก็ขี้ลงไปแล้วความปวดความหงุดความคิดไรต่างๆถ้าเราไม่ปฏิบัติดูเหรอโอ้ยมีความหลุดอยู่ในตัวตถ้าเราเป็นผู้ดูหรอกความพ้นความหลุดความพ้นก็อยู่ตรงนั้นการปฏิบัติก็อยู่ตรงนั้นการผ่านไปก็อยู่ตรงนั้น ในวิธีปฏิบันเหตุหลักของการเจริญสติสิ่งที่ผิดหลวงพ่อไม่พูดไม่มากแม้พวาเราได้เสียเวลาแม้แต่หลวงพ่อทีมานั่งพูดอยู่นี่ก็ไม่เจอจำมาพูดไม่ได้ไปนอนไม่เจอสิ่งที่ผิดมีมากพูดตลอดวันไม่มดังอาจารมาลงเ ล, งลง่าเช้าตอนเช้าแต่หลวงพ่อไม่บอกผมผมผิดอาจจะมีมากขนาด แต่คนผูกนี่พยายามที่จะพูดลำดับออกจากการเดินทางมาจะแค่ประสบการณ์มาด้วยตีมีของตัวจึงมีความกล้าไม่กลัวความที่ไปสอนต่างประเทศนะแล้วน่าภูมใจที่เราไปพูดกับเราเขาจะมาขยี้เราประมาณสักหกเจคน เขาก็นั่งอยู่ในห้องโพงมันหนาวนะพอมายืนอยู่ประตูมาถามคนที่นั่งอยู่ใกล้ประตูว่าขอสัมภาษณ์ได้ไหมเขามาสอนอะไรเขามาทำอะไรที่นี่ก็มีนคนหลั่งบางทกันเขามาบอกว่ามีคนที่มายืยนอย่างเขาอยากสัมภาษณ์กับหลพ่อกลวงอก็บอกเขามาได้เลยมาหลวพ่ก็นั่งร้างเชือว่ายืยนติดฝาขนานะั้นเขาก็ ม, มาเดินมามาทำเอง คุณมาทำอะไรที่นี่คนรู้อะไรมาแล้วพ่อก็บอกเขานั่งลงบอกเขานั่งลงเขาก็นั่งลงที่มันนั่งทั้งหมดหกเจ็ดคนนั่งลงนั่งลงนั่งลงพอได้ตอบว่าอาตมารู้ตัวเองคนรู้ตัเองก็รู้ย่างไงอาตมาก็ไม่ต้องพูดเลยอ้าวคนเอามือวางไว้บนศอกเรียกมาเส้นโูกรียกมาเส้นโูก เกินหลายหมื่นนีให้เขาทำไปสองสามรอบนี้นี <c oughs> 是是่อาตมาไย่งห <function al power> ็นรู้ตัวคุณเคยรู้อย่างนี้หมนู้นนี้ภาษาที่สวเอเวอเวไม่ใช่ไหมเอามาเทอเวอเวอเวอเวอเวรู้รู้อเวอเวอเทำไปทั้งวัน คนเคยลู่อย่างนี้บ้างไหมเขาบอกว่าไม่เคยลู่เล้วคนจะทนลองไหถ้าคนลู่อย่างนี้หนึ่งวันคนเคยลู่ไม่เคยชั่วโมงหนึ่งเคยไหมไม่เคยน้่จะเป็นสุดนะถ้าคนไม่เคยเลยคนไปถึงโลกประจันแล้วคุณไม่ลู่ตัวเองคนให้ไปโลกประจันมัวจะใส่ข้างนอกอยู่ศาสนาทั้งหลายจึงไม่เกิดอยู่อยุโรปมีกัน สาราทั้งหลายเกิดอยู่ที่เอเววคียเพราะเพราะคนลืนตัวกันคนจะไปถดนะต้ อ, องไปเดมารับรองเขาก็บอกว่าเขาจะพูดจะทำยังไงเ ข, า บ, า, ขาบอกว่าเขาได้พบกับบุคคลที่เขาคิดจะพบวกาอะไรนั้นเขาจะมาจับเขาจับเราบอกว่ า, า, า, า, วาพวกนี้จะพาพ่อมาคนจะอยู่นี่ไหมอยู่เราอยู่ในเอเชียพวกนี้ เราจะพาพ่อมาจริงๆเอารถมาแล้วก็เอากล้วยมาให้พ่อนั่งด้วย พ, พ่อเขาเป็นคนเดียวด้วยเขานั่งสมาธิจับเหมือนกับเราไม่เป็นเลยสมาธินั่งกั้งก็นั่นความจริงไม่เป็นกลัวแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะมีการคิดพลาแต่อย่าไปทําด้วยความอยานะ่างกถ้าอยากก็ได้เลยสีเดยจะได้จริงที่สุดๆลองมาด้ทางที่สุดเหมือนกับคนที่หิวอะไรอยู่หลงอะไรอยู่ เขายื่นมาให้ก็เอาให้ดูบางคนคหิวบุญที่ไม่เคยตืวนัึกอบอกว่าเออทำบุญดังนี้จะได้บุญดั้นเสียงเงินเป็นหมืน่นเป็นแสนแ้่คนรู้บุญหโอเขาพูดเลยก็รู้เพราะฉะนั้นด้ที่มีเจริสติเแบบดื่อี้เป็นเรื่องที่รีบด่วนการรีบด่วนก็มีาการติดขัดบ้างแต่ถ้าเราไม่จักเจน ในกานรดีดหลายสมไมศูนย์เก้าศูนย์สิคนล่องหอมล่องให้หลงไปก็มีพอมันเอากันจริงๆทำกันจริงๆแัดเพียนก็หลงไปว่าแต่ไม่เสียหายอย่ากลัวถ้าหลวงพ่อจันลันหลวงพ่อหลวงพ่ออาจารย์มหาไหลหรือหลายๆท่านที่อยู่ที่นี่เป็นนิพพานการ เคยโชคโบนมาสบายใจได้เลยเท่าไหร่แม่ต้องวเพรฉะนั้นความรีง ด, วด่วนนี้ต้องให้จัดเก็บดังที่หลงวงพ่อเรียสอนให้เป็นผู้ดูดูมันเวนาเกิดึ้นก็เห็นมันคิดก็เห็นมันคิดมันหลงมันสุกมันทุกข์มันอิดอัดขาดเครื่องมันง่วงเมาหอนอนตู้มแล้วเขไปเป็นในร่วมกับมันง่า ทีเดียวที่ออกมาดูให้ออกมากระโดดออกมาจะเข้าไปให้แนวร่วมกับมันแต่มันง่วงเปลี่ยนอารมณ์ให้เป็นให้ไวที่สุดใหญกช้าส้างคนต้องไปนั่งอ่อนข้อให้มันหลับตาตีเท่านีไม่เดี๋ยวกมันจะได้ท่าเถ้าไมัน ไ, ได้ท่าตู้ไม่ไหวจะไปยกมือจ้างเท่าไรตู้ไม่ไหวก็ถ้ามันเข้าถึงที่ล เราไม่ทัดเกียนเราจะเสี่เวกับพงเนี our our ้อ่นเสี่เวกับค่ามว่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเป็นปีก็มีบางคนแต่เราจัดเปลียนมาแต่ทีเดียวนะเยเลยฉนน้อยย่างงดงานไม่จาเป็นต้องไปนอนง่วงแต่ถ้าาจะนอนก็หลับนะของหมู่นี้มันมันเปลี่ยนได้เปียนได้ทั้ทีวิตถ้าทำแบบของพอพอวันว่างก็กด สลับทึ้นเลยตื่นเช้ามาไม่มวิธีแตนั่งอยู่วันง่วงทำท่าวัดเยียงกันดูสักหน่อยเป็นทอะไรลุกขึ้นห้องท้องฟ้าดูโตนหมัดดูทิศชูทางเออวันนี้เป็นกลางวันกลางวันไม่ใช่เวลานอนกลางวันเป็นเวลาทางานเอาเดินไปสักหน่อยทำโนนทนี่เช้ามากำหนดตวไปสิต้องสลับต้องรู้จักเอานะตนเอง ไม่ใช่แพ้ตลอดเวลาปลาไหลไทยปลาไหลชิดคือปาไหลไทยชื่อไพ่แท้ตลอดเวลาไม่มีโอกาสถึงมาถึงกับเรู้จักเอาธรรมะไปทุกทุกจิตอิจฉายึงดันไปของความรู้สึกตัวเข้าหาความรู้สึกตัวให้คล่องที่สุดอย่าไปอิงอะไรอย่างอื่งอื่นก็บตัวอื่นความรู้สึกตัวนี่คือปัญญาณธรรมกับเราไม่เคยการเสียหาย ถ้าห น, นีไปจากความรู้สึกตัวหรอกอาจจะติดลาด์ตั้ง้าติไปให้เราพ่อพูดันนี้ก็พูดในเรื่องที่เราทบคงเข้าใจตอนนี้จะมีถึงละต้องไม่พูดมากอะเรา จ, จะต้องพูดกันได้ทั้งวัาวันเห็นว่าสมควรจะเวลาเขาจบจาเราจะเดินทานี้